2. อภิธรรมภาชนีอัถถังกิกวาล2 0งร้สัจจะสคือหนึ่งทุกข์หมายถึงทุกสองทุกขสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขานิโรธหมายถึงความดับทุกสี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบรรดาสัจจะสนั้นทุกขสมุทัยเป็นไนตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัย ทุกเป็นชไหนกิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้ เรียกว่าทุกข์ทุกขนีนโรธเป็นไนาการละตัณหาเสียได้นี้เรียกว่าทุกขนีนโรธทุกขนีนโรทคามินีปฏิปทาเป็นไนภิกษุในธรรมมิไหนนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกาม บรรลุปธรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฐิถึงสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นบรรดามักมีองค์แปดนั้นสัมมาทิฐิเป็นไนะปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิธรรมวิจยสัมโพชงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นไนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากวจีทุจริตสี่ การไม่ทําการเลิกทำํำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริตสสัมมาวาจาอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะเป็นไนะความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเป็นจากทุจริตสาการไม่ทําการเลิกทำ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 แห่งมิจฉาชีพสำมาอาชีวะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสำมาอาชีวะสัมาวายามะเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายมะวิริยสัมโพชฌงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมาวายามะสำมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสำมาสติสติสัมโพชฌง อันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่สัมมาสมาธิสมาธิสัมโพธิชงอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนีโรธขามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมพยุด้วยทุกขนีโรธขามินีปฏิปทา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 สภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมด น, น, น, นะ น, หหนี่เรียกว่าทุกข์ทุกข์คณิโรธเป็นไนการละตัณหาและกิเลสที่เหลือนี่เรียกว่าทุกขคณิโรธทุกขคณิโรทคามินีปฏิปทาเป็นไนะ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 สภาวธรรมที่เหลือสัมปยุตด้วยทุกคณีโรธคามินีปฏิปทา208ทุกขสมุทัยเป็นไนะตัณหากิเลสที่เหลือและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนี้เรียกว่าทุกขสมุทยัยทุกขเป็นไนะกุศลมูลสที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ วิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนิโรธเป็นฉไหนะการละตัณหาละกิเลสที่เหลือและละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนี้เรียกว่าทุกข์นิโรธ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 สมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือเสอสัมปยุทธ์ด้วยทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาสองอทุกขสมุทัยเป็นไนะตัณหากิเลส ท, ที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขสมุ ท, ทยัยทุก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 กุศลมมลสาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะนี่เรียกว่าทุกขนีโรธทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาเป็นฉนะไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากามบรุปธรรมฌานที่เป็นทุกขขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าทุกขนีโรธคามินิปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมพยุด้วยทุกขนีโรธคามินีปฏิปทา 210. ทุกขสมุทัยเป็นฉไนะ ปันหากิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกเป็นไนวิบากแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล ไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมดนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขนคณิโรธเป็นฉไหนาการละตัณหาและกิเลสที่เหลือละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือละกุศลมูลสาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและละสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะนี้เรียกว่าทุกขคิโรธ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 นี้เรียกว่าทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาสภาบธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ด้วยทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาปัญจังคิกวานสองร้อยสิัจจะสคือหนึ่งทุกข์หมายถึงทุกสองทุกขสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดแห่งทุกข์มทุกขณีโรหมายถึงความดับทุกข์ 4. ทุกขนีโรธคามินีปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข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 เพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงังขจากรามถึงบรุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์หคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาส ม, มาธิก็เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเป็นไนะปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริสัมมาสังกัปปะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะเป็นไฉนการประารดความเพียรทางใจ ถึงสัมมาวายามะวิริยะสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไฉนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์ อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี่เรียกว่าทุกขณิโรธคามิเนปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขณิโรธคามิเนปฏิปทา2องบรรดาสัจสี่นั้นทุกขสมุทัยเป็นฉนะไหนตัณหากิเลสที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 สังกัดจากกามบลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาวธรรมที่เหลือสัมพยุด้วยทุกขณิโรธคามินีปฏิปทาสัพพสังคา ฮิกะวานสองสัจจะสี่คือหนึ่งทุกข์หมายถึงทุกสองทุกขสมุทัยไหมถึงเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกขณีโรธหมายถึงความดับทุกสี่ทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขบรรดาสัจจะสี่นั้นทุกขสมุทัยเป็นไนตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยทุกขเป็นไน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 ในสมัยนั้นผัสสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขนิโดทคามินิปฏิปทา2องทุกขสมุทัยเป็นไนะตัณหากิเลส ท, ที่เหลือสภาวธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสาที่เป็นอารมณ์ของอาสวะและสภาวธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ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 สงัดจากกรมบรรลุปธรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสธะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขณิโรธคามิミニปฏิปทาอภิธรรมภาชนีจบ